วิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สงพิกษณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงชเวยยงบ่าข้างหนึ่งกลาบเท้าพิกษณีผู้แกพรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าอาการจีวรเผื่อ น, นี้ดิฉันอธิฐานเป็นกาลจีวรแล้วให้แจกันเป็นนิสกีดิฉันคอสละอาการจีวรเผื น, นี้แกสงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนอาการลจิวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรร ม, มวาจาว่าแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าอาการลจิวอนผืนนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงคืนอาการลจิวอนผืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป โฮมุตราสงช่วียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละอาการราชิวันผืนนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตพึงคืนอาการราชวัผืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งหฮมุตราสง์ฉ่วียงบ่าข้างหนึ่ง นั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละอาการจิวรนพืนนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตดิฉันคืนอาการจิวรนพืนนี้ให้แก่แม่เจ้า